อยู่ตามป่าตามเขาก็ได้ซึ่งเรียกกันว่าผีป่าหรือเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ตามต้นไม้ก็ได้ซึ่งเรียกกันว่าลุคเทวดาอยู่ในอากาศก็ได้ซึ่งเรียกว่าอากาศสัทธเทวดาอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้พิจารณาดูจากคำแปลในบทชุมนุมเทวดา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 ที่จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิยายไปแต่สำหรับผู้ที่รู้จริงทุกคนก็จะยืนยันได้เป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องโอปปาติกะที่พันานาไว้ในบทชุมนุมเทวดานั้นเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากความจริง